บินี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนั้นหากว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้คอยสังเกตดูจิตของตัวเองแล้วจะพบว่ามีปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องภายในจิตของตนอยู่สประการใหญ่ๆด้วยกันประการแรกเป็นเรื่องของความศรัทธาความเลื่อนสายที่มีลักษณะเลื่อนลอยไม่ค่อยจะยั่งลงมั่นคงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทศรัทธาไม่ค่อยจะยั่งลงมั่นคงในคุณมของพรัตนาใร บางครั้งอาจจะเกิดศรัทธาเรื่อมใสมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบางประการเขา้า <c oughs> ก็อาจจะเกิดความไม่ค่อยจะมั่นใจความเริ่มใสก็เกิด <c oughs> เลื่อนลอยขึ้นมาอีกในเรื่องของกระทำหรือบางครั้งไม่ใไม่ได้มีปัญหาที่องค์ธรรมจะมีปัญหาที่การกระทาของตนเอง และที่การกระทำของบุคคลอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่แน่ใจขึ้นภายในจิตของบุคคลทั้งหลายเช่นมีความรู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีหรือว่าทำชั่วด้ดีเป็นตน้นโดยการวินิจฉัยตัดสินออกจากคนที่ตนพบเห็นในขณะนั้นๆแต่มองเหตุมองผลไม่ตลอดสายในสุดก็มีการตัดสินวินิจฉัยด้วยตัวเองว่า คนทำชั่วไม่ใช่ได้ชั่วเสมอไปหรือคนทำดีไม่ใช่ได้ดีเสมอไปขนักเข้าก็จะมีความรู้สึกว่าคนทำชั่วกลับได้ดีหรือคนทำดีกลับได้ชั่วเป็นตน้นข้อนี้ก็เป็นอาการความไม่แน่ ใ, น ใ, นใจความเครือบแคลงสงสัยที่ปรากฏเกิดขึ้นในพระิกรรมเดี๋ยวสายสังเกตจากการกระทำของบุคคลอื่น ในบางครั้งก็ จ, จะเกิดความครุบคร้บแคลงสงสัยในประสงค์ตัวคุณของประสงค์ที่สวดสาธยายกันอยู่นั้นก็เป็นคุณหลักคือคุณมาตรฐานที่ท่านกําหนดไว้ในระดับพระรยา บ, บุคคลขึ้นไปคือตั้งแต่ประสูตรดาบันขึ้นไปแต่บางทีเรามาดึงกําหนดไว้ในเบื้องสูงนั่นเองไปวัดไปเทียบเคียงกับบุคคลบางคน เมื่อเห็นว่าไม่ได้มาทานแล้วก็จะเกิดมองเป็นภาพรวมขึ้นมาความศรัทธาเลื่อมใสที่เคยมีอยู่ในพระสงฆ์ก็จะเสื่อมคลายลงไปเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะเหล่านี้ทำให้ มีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจของบุคคลแล้วก็เปลี่ยนแปลงในการกระทำเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลอีประการหนึ่งก็คือลักษณะทางอารมณ์ที่มากระทบใจแล้วก็อให้เกิดเป็นความไม่พอใจไม่ยินดีเกิดความขัดเคืองอารมณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยสายการกระทำของบุคคลอื่นบ้าง จะข่าวคราวเรื่องราวาต่างๆบ้างหรือบางครั้งก็จะเกิดมาจากการเดียวนึกการจดนึกของบุคคลนั่นเองบางที่เรียกว่าความยินร้ายหรือความชังหรือความโกรธก็แล้วแต่จะเรียกในชดในุดไหนรมีประการหนึ่งคือการที่ใจมักจะสายไปในรมที่น่าใคร่น่าปรารถนานัาพอใจ โดยการกำหนดหมายของตัวเองบ้างโดยการกระตุ้นเร่งร้าจากบุคคลอื่นบ้างและในที่สุดจิตใจก็จะสายไปด้วยอานาจของความกัหนักเพลิดเพลินดีๆในอารมณ์ดอกนั้นลีบประการหนึ่งที่ออกจะมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องความขาดสติความเผลอเรอความหลงลืมจนกลายเป็นความประมาท อาการเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาการที่ออกจะปกติซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลที่ยังไม่ค่อยจะมั่นคงอยู่สม่ำเสมอตั้นั้นธรรมะปฏิบัติที่พระเจ้าทรงชี้แจงแสดงสั่งสอนไว้นั้นผู้สังเกตว่าจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมจิตไม่ให้เกิดอ่อนไหวไปตามอานาจของอารมณ์ ทั้งสีประกาศนั้นเป็นประกาศสาคัญและเมื่อใจิตใจมีความมั่นคงขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเจนว่าเกิดศรัทธามั่นคงขึ้นในคุณของพระรตันฑ์ไรจิตใจที่มีศรัทธานั้นเป็นจิต ท, ที่ผ่องแผ้วเป็นจิต ท, ที่มีความเยืกเย็น พอนั่นมีอารมณ์มาปะทะอะไรจะมากหรือน้อยก็ตามถ้าหากว่าไม่แรงเกินไปก็สามารถต้านทานอารมณ์เนั้นได้ความรู้สึกไม่ชอบความจิงจังในรม่มบางอารมณ์ก็สงบลงไปได้ในความก้าวหน้าเพลิดเพลิพนยินดีในร่์ทั้งหลายแล้วก็จางลงไปเพราะว่าเป็นภาวะที่ขัดแยง้งคือศรัทธานั้นมีความผ่องใส ความกำหนัดรักใคร่เมื่อนน้ำที่เจือด้วยสีมันก็อยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ตราบใดที่ศรัทธายังมีอยู่ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะถูกขจัดออกไปดังที่กล่าวไว้ในขั้นตอนของการปฏิบัติพัฒนาอินทรีย์ที่มีศรัทธาเป็นต้นนั้นเมื่อปริมาณของศรัทธาคือความเชื่อ มีความเข้มข้นสูงขึ้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจคือสร้างความผ่องใสขึ้นภายในจิตนั้นเป็นเรื่องแน่นอนแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผ่องใสภายานในใจนั้นในช่วงแรกจะทำหน้าที่ขจัดอสัตยยะคือความไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดถึงไม่เชื่อแม่ในพ่อในแม่ในคุณของพระตรัณฐาไต เมื่อบุคคลเจริญศรัทธาคือเพิ่มพูนศรัทธาสูงขึ้นสูงขึ้นความไม่เชื่อนั้นก็จะถูกกจัดออกไปแต่ก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดไม่แน่ใจขึ้นมาลักษณะของความไม่รู้นั้นเพื่นสังเกตว่ามันจะมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยลําดับถึงจุดหนึ่งเราอาจจะกจัดออกไปได้ถึงจุดหนึ่งมันยัง ข, ขจัดไม่ได้ ใกล้ใกลกับเชื้อโรคในส่วนหนึ่งอาการอย่างหนึ่งก็ขจัดไปได้แต่ในส่วนที่ละเอียดึซึ้งลงไปก็ยังขจัดไม่ได้กิเลสทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นในส่วนหยาบเราแก้ปัญหาได้ในช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งมันเกิดแก้ไม่ได้ก็กล้ใกๆกับอารมณ์ที่มากระทบใจเพิ่งสังเกตว่าเช่นต้มงพูดว่าคำด่า คำด่าจากบุคคลบางคนคำด่าบางคำเราทนได้แต่พอถึงคำด่าในลักษณะนั้นเองแต่เกิดด่าจากบุคคลอื่นเราเกิดทนไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวการกาหนดบุคคลเราด้าน้วยและความไม่มั่นคงภายในจิตใ จ, จของเราโดย ถ้าว่าเกิดมีปัญหาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาขึ้นอีกจุดหนึ่งได้หรือหลายๆจุดก็ได้การแก้ปัญหาจึงเป็นไปในทํานองเดียวกันเมื่อเราแก้ปัญหาในจุดหนึ่งได้ปริมาณของธรรมะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ถึงจุดหนึ่งตัวศรัทธาที่มีความผ่องายนั่นแหละจะกระจัดความเครือบแคลงสงสยัย ทีนี้ท่านสาธุชนจะต้องดูจิตที่ประกอบด้วยความเครือแคลงสงสัยกับความผองใสที่เกิดขึ้นโดยศรัทธานั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันจิตที่ประกอบด้วยความเครือบแคลงสงสัยนั้นเป็นอาการของโมฆะคือเป็นกิเลสประเภทโมฆะหรือพวกอวิชชาที่พระเจ้าทรงอุ ป, ปมาว่าถ้าเข้มข้นสูงมันก็เหมือนกับน้ําที่เจือดุดโครตโดมมาก แต่เข้มข้นไม่มากมันก็เหมือนน้าเหมือนน้าที่กุ่นซึ่งทั้งน้ําที่กุ่นและน้ําที่เจือดู้กรดตกบุคคลต้องการจะส่องดูเง า, นาหน้าก็ไม่สามารถตีเจงเงาได้อย่างชัดเจนจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้สึกเหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นตัวศรัทธาที่บังเกิดขึ้นที่มีความผ่องใสจึงมีลักษณะเป็นกรดเป็นด่างที่จะไปขจัด วนความขุดมัวจากครุ่นตรมให้บาบางลงไปพอนมาถึงจุดหนึ่งมันเกิดไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉาที่เราสังเกตว่าวิจิกิจฉานั้นมันไปขจัดสิ่งที่ศรัทธาเกิดตั้งมั่นที่พูดไว้ในตอนต้นว่าศรัทธานั้นก็คือความเชื่อมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในตจจิกขา่าในขณะที่เกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในจุดนี้เองแลความเครือบแคลงสงสัยใน4จุดนั้นก็หายไปคือสามารถกระจัดความเครือบแรงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาลงไปได้แต่ในนี้มีมีมีบางประการที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นไปกว่านั้น เป็นปัญหาที่จะต้องมีการสแสวงหาคำตอบแล้วคนจะรู้ได้จริงๆมันต้องรู้ได้ด้วยญาณคือรู้ด้วยเครื่องหม้เครื่องมือธรรมดาไม่ได้นั้นคือเรื่องของอดีตเรื่องของนาคตบางทีทั้งอดีตนาคตแล้วก็กฎของปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าอาดีตนั้นบางทีแม้แต่เมื่อตอนเช้า หรือเมื่อตอนเมื่อวานได้ทําอะไรไปบ้างได้พูดอะไรไปบ้างมันก็เกิดไม่แน่ใจะแต่ถ้าจริงอดีตเราไม่ได้มีเฉพาะเมื่อวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนหรือว่าชาติก่อนแต่ว่ามีชาติก่อนก่อนอีกเป็นนั้นมากเพราะเราอาจจะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยในจุดเด่งได้จนกระจัดความเครือบแคลงเมื่อวานได้ปัญหามันก็อยู่ที่วานสื่อแล้วก็วันต่อต่อไปเรื่อยไป มาย้อนวันต่อไปได้มันก็เดือนต่อต่อไปแล้วก็ปี ต, ต่อไปตลอดถึงชาติต่อต่อไปในชาติต่อต่อไปนั้นบางคนก็สามารถขจัดได้ในชาติสองชาติหรือเวลาหลายชาติแต่ก็จะไปติดอยู่ในในในจุด ใ, ใ, ใจดใจุดหนึ่งเพราะในความเครือบแคลงสงสัยมันก็มีได้ในจุดที่สูงสูงขึ้นไปความรู้ในชั้นนี้เกิดเป็นปัญหา ที่กอให้เกิดความขับข้องใจแก่บุคคลทั้งหลายผู้ต้องการแสวงหาความจริงของโลกของชีวิตเช่น ต, ต, ตั้งคำถามขึ้นมาภายในใจแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดมาถ้าเราเคยเกิดมานั้นเราเคยเคยเกิดมาเป็นอะไรบ้าง แล้วเรามีความสุขความทุกข์ในชาตินั้นอย่างไรและตายจากนั้นต่อไปเราก็เกิดเป็นอะไรแจะมีความสุขความทุกข์เป็นอย่างไรเป็นต้นซึ่งเอ า, าจริงเราก็หาคำตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้ระดับนี้จะต้องอาศัยญาณที่พระเจ้าทรงรู้เหตุนั้นทรงรู้เห็นด้วยปุพเพนิวาส า, านติญาณคือประยานที่เป็นเหตุให้พระองค์ระลึกชาติได้ แต่เรายัางไม่มียาลเหล่านี้เราก็เกาะอิงอยู่ที่ศรัทธาคือเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังกล่าวแล้วก็สามารถสงบความเครีบแครงสงสัยที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะเชื่อมั่นว่าข้อนี้ต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไปอย่างนี้ หลักความคิดในแนวนี้มันเกิดขึ้นจากศรัท ธ, ธาเป็นหลักไม่ใช่ญาณเป็นหลักเพราะจริงๆตัวญาณหรือตัวปัญญาความรู้นั้นเรายังไม่รู้เราไม่เพราะเรายังไม่ได้บรรลุญาณอย่างเช่นที่ท่านที่เสนาบดีได้กล่าวทูลถามมณิสงของทานต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าคนที่ให้ทานดีแล้วที่เรียกว่าทานปบดีคือผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานมีความนิยมยินดีในการให้ทานจนถึงก็ตั้งโร ง, งทานมันเป็นกุศลสาธารณะช่วยเหลือประชาชนทั้งหลายผู้ยากไร้ผู้กุศนล น, นาทาตลอดสุเมถึงสมณพราหมณ์ในาศาสน า, าต่างๆจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างพระเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้หประการ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนเป็นนั้นมากสัตว์ปรุษจะก็หาสมาคมกบุคคลผู้ให้ทานเกติกุณดีงามของบุคคลผู้ให้ทานจะเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลโดยทั่วไปผู้ให้ทานเป็นทานอาปปิตน์นเมื่อเข้าไปในสมาคมใดจงอาจกระหารไม่ขั้นครามขามเครงในสมาคมนั้นและจะไม่หลงทํากาลกิริยา คือจะตายยังมีสติแล้วเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์คนนี้บุคคลที่เคยให้ทานมีจิตใจน้อมเอียงไปในทางการให้ทานจะสามารถรู้ได้ด้วยใจตัวเองในสีข้อแรกแต่ว่าสองข้อสุดท้ายมันเป็นเรื่องอนาคต แล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเราเรายังไม่เคยสัมผัสเพราะเรายังไม่ตายในชาตินี้เราก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุกติหรือว่าในอบายแต่ก็อาศัยศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจา้ากับปัญญาในส่วนหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าแต่เราพิจารณาเทียบเทียงกันแล้วในหกข้อนั้นสี่ข้อ เราก็รู้ได้ในขณะนั้นในสองข้อก็ยังรู้ไม่ได้อีกสองข้อก็อาศัยศรัท ธ, ธาอีกสี่ข้อก็อาศัยทั้งศรัท ธ, ธาและปัญญาเข้ามาสนับสนุนกันพรทดันนีอเสนาบดีจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสี่ข้อแรกนั้นข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระคาบระงค์ในฐานะที่เป็นทานาบดีได้ให้ทานอยู่โดยปกตินั้นได้รับอานิสงส์ทั้งสประการนั้นด้วยตัวคนตัวเองอยู่ตลอดแต่สองข้อหลังนั้นคาบพระองค์ไม่รู้เพราะคาบพระองค์ต้องเชื่อเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดสรุปดังนั้นจะพบถึงความจริงในผลของการประพฤติปฏิบัติว่า โดยผลของศรัทธาที่บุคคลปลูกฝังให้บังเกิดขึ้นภายในใจนั่นเองปริมาณของปัญญาก็เพิ่มตามไปบางจุดเราสามารถวินิจฉัยตัดสินได้ด้วยปัญญาเพราะเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แล้วคือไปจากแก่ใจเราแล้วแต่บางอย่างมันก็ต้องอาศัยศรัทธาอยู่ และตัวสถ้าที่บังเกิดขึ้นนั้นเองจะทำให้บุคคลสามารถไปกระจัดความเครือบแข็งสงสัยอีกสี่ประการหลังไปได้เพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าผู้รู้เียนเป็นพระหันจัตสุรีจัตสู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงสแสดงไว้ว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมกิเลสกับกรรมนั้นจะสร้างปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณให้เกิดขึ้นและจะมีการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแย่งนั้น พระองค์เองก็เคยเป็นอย่างกันสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างกันแล้เมื่อเหตุเมื่อแสดงในแนวเหตุปัจจัยเช่นนี้เพราะงั้นอนาคตมันก็ต้องไม่ต้องสงสัยอะไรมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยก็ขาจาัดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้องอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยาการได้เพราะปัจจยการนั้นที่จริงมันก็เรื่องเหตุปัจจัยเพราะถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดก็เหมือนผลตกแดดออก มันมีเหตุปัจจัยให้ตกมันก็ตกอย่างฝนตกเมื่อคืนนี้มันก็ไปหาคําตอบไปง่ายแะดแแะไูได้ง่ายอะไรก็ไม่นานแต่ก็มันก็มีเหตุปัจจัยให้ตกมันก็ตกเราก็เรียกรวมๆไว้อกฝนหลงและดูเป็นต้นนั่นเรื่องศรัทธาที่บังเกิดขึ้นในช่วงต่อมาลองสังเกตว่าขาจัดโมหะช่วงแรกขจัดโมหะอย่างหยาบ ชนที่สองก็ขจัดโมหะชี้ละเอียดตรงไปแต่เนื่องจากกิเลสนั้นมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันธรรมะ ก, ก็มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันด้วยพลังของศรัทธาที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งมันไปขจัดพวกกิเลสประเภทโลภะท่า น, น, นสาทาชนจะต้องมองดูที่ใจตัวเองให้เห็นว่า เวลอเราเกิดศรัทธาขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหนึ่งนั้นเราสามารถที่จะให้ที่จะบริจาคแก่บุคคลเหล่านั้นได้โดยไม่เสียดายของที่เราบริจาคไอ้ตามปกติแล้วบุคคลมีความจดหนีมีความหวงในของที่เร า, เรายึดถือครอบครองว่าเป็นของเรารเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแต่ด้วยพลังของศรัทธานั่นเอง พลังควาัทธานั้นจะใไขจัดความรู้สึกตระนีห่วงแขนเสียดายยึดติดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะสละพร้อมที่จะบริจาคสิ่งเหล่านั้นนันกิเลสประเภทที่เราเรียกเ บ, บาๆว่ากามฉันเรียกระดับนิวรณ์ว่ากามฉันมันก็กลายเป็นสงบตามไปด้วยเพราะความพองใสของศรัทธา แต่นี่การที่บุคคลไปลดละไปสละเช่นนั้นได้ก็หมายถึงการขาจัดกิเลสประเภทโลภะดังที่กล่าวแล้วแต่พึงสังเกตว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนั้นความสนิทความหขวงความเสียดายในของต่างๆที่เราไม่พร้อมจะเสียสละให้แก่บุคคลอื่นนั้นที่จริงแล้วไม่ได้เกิดด้วยโมหะหรือไม่ได้เกิดด้วยโลภะแต่บ้านเกิดด้วยโทสะ คือเราไม่ชอบคนนั้นเราอาจจะให้แกนคนอื่นนั่งแจกเพลินๆไปแต่พอถึงคนนั้นมาขอรับเราไม่ให้เพราะโดยสภาพจิตในขณะนั้นจึงไม่ได้หวงเพราะโลภะแล้วไม่ได้หวงเพราะโมหะแต่มันหวงเพราะโทสะคือเราไม่ชอบคนนั้นเราก็ไม่ให้กับท่านนั้นเองและอาจจะไม่ชอบข้อของบุคคล น, นั้นก็ไม่ให้ลูกของเขา หรืออาจจะไม่ชอบปู่ย่าตายายอาจจะไม่ชอบคนในถิ t นั้นอาจจะไม่ชอบคนเผ่าพัานธุ์นั้นแต่สรุปว่ามันก็เป็นอาการของโทสะนั่นเอนงพลังของศรัทธาที่ังเกิดขึ้นจึงไปคัาจัดโทสะได้ด้วยที่เป็นเหตุให้บุคคลได้สละไปสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่น ด้านทันสาตุชนก็จะเห็นภาพความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราที่จริงมันก็เริ่มต้นในศรัท ธ, ธาเทานั้นเองแต่ว่าสาบานไปทําลายกองกิเลสทั้งหลายกองกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมหะซึ่งเป็นโคตง่าวของกิเลสโมหะย่างหยาบคือความไม่เชื่อโมหะยังรองลงมาก็คือความเครือบแคลงสงสัย แล้วในขั้นต่อไปก็ไปขจัดพวกกิเลสประเภทโลภะกดี่ยความหวงความเสียดายความยึดติดในสิ่งทั้งหลายและต่อมาก็กลายเป็นพวกโทสะธรรมะเพียงข้อเดียวแต่มาเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสได้ครบทั้งสามประเภทคือโลภะโทสะโมหะเพราะในแนวของการปฏิบัติ น้ำธรในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นไปที่องค์ธรรมะในส่วนปฏิบัติเรียกว่าส่วนธรรมะปฏิบัตินี่มากมล้วก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ขอให้มีจุดเริ่มต้นเป็นต้นไม้ชนิดนั้นก่อนก็นแล้วกันแล้วต่อไปต้นไม้ชนิดนั้นแหละจะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นแล้วไปขจัดไอ้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไป แดีวเราจะมอบให้สิ่งที่เราต้องการปรารถนาจากต้นไม้ดอกนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลปลูกฝังที่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นที่เราเน้นไปที่พุทธานุสติให้ลองสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมะทั้งหลายนั้นจะหมุนบนอยู่ในในแถวแถวพุทธานุสติแต่จะรลึกในรูปไหนเท่านั้นเองอาจจะสวดสาธยายด้วยบทนโม อารหังสมาสมุโทโธอิติปิโสปะวาก็เป็นการเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อภาษาธาความเลื่อมสายยามันเลื่อนลอยให้เกิดความมั่นคงสักกานจนถึงกษัตรยายบทประพุทธกุลแต่การสาธยายแนวนั้นทัางกษัตรยายด้วยวิธีการต่างๆไป่พึ้งสังเกตว่าจริงๆแล้วต้องการจะรวมจิตคนให้มีความสงบ แล้วจากนั้นจะพิจารณาตามไปพิจารณาไปดูไปเรื่อยๆตามบทธีรสวดเรสาธยายในขณะนั้นๆใน ต, ตัวความสงบนั้นก็สร้างความผ่องแพ้วขึ้นไปในจิตเมื่อพิจารณาตามไปแล้วศรัทธาความเลื่อมใสก็จะบังเกิดขึ้นแต่บางครั้งตัวความสงบนั้นเองจะสร้างความเลื่อมใสาบางครั้งตัวความเลื่อมใสจะเกิดความสุขจะตุเป็นตัวสร้างความสงบ สํานวนบาลีตัณชาคําว่าเป็นอัญญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยของการอะไกันจะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ได้มันก็ทํานองใกล้ๆกันเราจะทําความสะอาดมือสะอาดเท้าของเราจะทําความสะอาดจริงๆแล้ก็ช่วยกันมือซ้ายกับมือขวาก็ช่วยล้างให้แก่กันได้กันเนท้าซ้ายกับเท้าวขวาก็ช่วยล้างให้แก่กันได้กันก็ก็จบลงที่ความสะอาดด้วยกัน จุดเริ่มต้นนั้นจะเริ่มที่ตรงไหนไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไรแต่ถ้ามีผลเปลี่ยนแปลงในทางใจออกมาในรูปของการลดละผ่อนคลายของกิเลสทั้งหลายซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นเราจะพูดถึงการเพิ่มพูนขึ้นของธรรมะหรือไม่ก็ตามที่จริงก็เพิ่มพูนอย่างนั้นเองอถ้าปฏิบาณธรรมะไม่เพิ่มขึ้นแต่การลดของกิเลสโดยนยามดังกล่าวก็ลดลงไปไม่ได้ าการตั้งใจน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเอกสารหลัฐานต่างๆที่ท่านเน้นไว้อยู่เสมอนั่นเพราะต้องการปรับฐานใจอย่าให้เกิดความศรัทธาความเดิมใสที่เลื่อนลอยไม่ยั่งลงไม่มั่นคงแกว่งไปแกว่งมาที่โบราณท่านใช้คําอย่างหนือกว่าศรัทธาหัวเต่าก็โปรุปปร่ง เรลักษณะของสถานนั้นเป็นอาการน้อมใจเชื่อแต่ถ้าน้อมใจเชื่อไปโดยไม่มีทิศทางไม่มีอะไรที่แน่นอนมันก็กลายเป็นศรัทธาจริตมันก็พร้อมที่จะเป็นโมหะไปได้แต่ถ้าหากว่าศรัทธาได้น้อมใจลงไปโดยมีจุดเริ่มต้นที่พระพุทธคุณก็จับให้ได้แต่ข้อใดข้อหนั้ง ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนราหังหรือสมมาสัมพุโทโธหรือวิชาจารย์สัพโนข้อใดก็ได้ขอให้จับให้ได้สักข้อเพราะจริงแล้วพระพุทธคุณมันก็กระเถิณถึงการทั้งหมดเพียงแต่เป็นกระจายออกมาดูเท่านั้นการกระจายมาเป็นเก้าข้อนั้นไม่ใช่ว่าหมดแล้วคือบางทีท่านกระจายเป็นร้อยๆแล้วกระจายออกมาได้เป็นพันๆเลยทั้งไปจนไม่สามารถที่จะ นับได้ว่าเท่าไรแต่ว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไปจนกลายเป็นความศรัทธาความเลื่อมใสที่ไม่เด่นลอยและจากนั้นกุศละธรรมที่มีชื่ออย่างอื่นก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งก็ะหมายความว่ า, ากุศละธรรมที่มีชื่ออย่างอื่นก็จะต้องสงบระงับลงไป สงบประงับลงไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกาลังของธรรมะที่จะกํำราบสิ่งดหดนั้นที่ที่จะขจัดที่จะบรรเทาที่จะสงบประงับสิ่งเหล่านั้นเมื่อปริมาณของธรรมะสูงขึ้นการลดของกิเลส ก, ก็ต้องลดตามไปตามสัดส่วนคล้ายๆๆกับการที่เราขัดพื้นให้สะอาดถุงขึ้นซึ่งหมายความว่าส่วนที่ส ก, กรปรกก็ต้องลดลงไป แล้วเมื่อพยายามขัดไปขัดไปในสุดห้องนั้นทั้งห้องก็จะมีแต่ความสะอาดเรื่องจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของภาวนาจึงส่งเน้นว่าให้บุคคลอบรมกระทําให้มากกระทาให้ไปปล่อยกระทาให้เป็นญ า, าณภานะเป็นเครื่องอาศัยข้องใจได้เมื่อทำได้เช่นนี้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประเปฏิบัติกางต่อต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจต้อความสงบสืบต่อไป